ธรรมเทศนาของพระสุททิธรรมรังสีครรมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามสี่ตุลาคม2503ส จารณะสัมปันโน ว, วิชาในที่นี้เป็นวิชาส่วนสูงไม่ใช่วิชาธรรมดาสามัญวิชาสามัญ น, นี้มันกิเลส อ, อาสวะมากจึงเรียกว่าเหติมะวิชาเป็นวิชาเบื้องต่าวิชาเบื้องต่มนี้ย่อมเป็นสิ่งที่มีทั่วไปแก่พุทธบริษัทแม้จะเป็นคนวิชาทิฏฐิก็มี เช่นความฉลาดในวิชาต่างๆในทางโลกซึ่งเขาได้ศึกษากันมาตามแบบตามตำรับเพื่อเป็นการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของเขาและวิชาพิเศษชั้นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากนักปรัชญาชั้นสูงเช่นพวกคิดในทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะประดิษฐ์วัตถุต่างๆให้เป็นสิ่ง ม, มหัศจรรย์ไว้ใช้สอย แก่สามัญชนโดยทั่วไปเช่นเครื่องยนต์กลไกลสามารถจะสร้างตาทิพย์หูทิพย์หรือเครื่องยนต์เช่นเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นจนสามารถที่จะทําสิ่งมหัศจรรย์ใช้แทนมนุษย์ให้ประกอบกิจการต่างๆอาจสําเร็จตามความประสงค์ของเขาเช่นสมัยสงครามที่เขาริเริ่มกันอยู่ได้ทราบว่าไปทิ้งระเบิด ไม่ต้องใช้มนุษย์ไปด้วยและสามารถที่จะชี้มือชี้เท้าของเขาเหล่านั้นบงการว่าจะให้ไปที่ไหนทำอะไรย่อมสำเร็จตามความประสงค์ของเขาได้เมื่อสำเร็จกิจการเหล่านั้นจนเป็นที่พอใจก็สามารถที่จะเรียกวัตถุเหล่านั้นกลับคืนมาบ้านเก่าอันนี้เป็นความเจริญของวิชาในทางโลกวิชาเหล่านี้เรียกว่า โลกียะวิชาเป็นวิชาของคนสามัญในโลกมีหลักเกณฑ์อยู่สองชนิดดังกล่าวมาวิชาพิเศษมันก็จะไม่ทําเช่นนั้นเป็นวิชาค้นคิดสําเร็จมาจากจินตามยปัญญาไม่ใช่สําเร็จมาจากการศึกษาจากโรงร่ำโรงเรียนคือสําเร็จขึ้นในทางจิตคือพวกแก่กล้าในการศึกษา ในทางปรัชญาหรือจิตวิทยาพวกนี้ต้องอาศัยแตกความคิดเมื่อคิดให้ปรากฏรูปบางทีก็ถึงกับเกิดอุกหาฮนิมิตเช่นจะคิดอะไรสักอย่างมันสำเร็จมาจากใจของเขาเป็นภาพสำเร็จรูปมาเลยเมื่อสำเร็จรูปในใจบางคราวก็เขียนภาพบางคราวก็ไม่ได้เขียนภาพ ทำทดลองด้วยวัตถุเมื่อทดลองใช้การไม่สำเร็จก็พยายามแปลความคิดเก่านั้นให้ผิดไปเป็นความคิดใหม่ขึ้นมาจากความคิดเก่าก็ขยายตัวออกทีละนิดละนิดในที่สุดก็สาเร็จตามความต้องการของเขาถ้าเรามาคิดกันตื้นๆก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ถ้าคิดให้ลึก ก็ไม่ใช่ของแปลกประหลาดอย่างคิดอีกแบบหนึ่งเช่นอย่างเขาคิดคนตัวเล็กให้มันตัวโตคนตัวโตให้มันตัวเล็กคิดการตื้นๆแค่นี้เสียก่อนแล้วเขาก็ดัดกระจกแผ่นเดียวนั่นแหละเมื่อดัดกระจกเข้าทีนี้ไอ้คนสูงมันก็กลายเป็นคนตำ่ำคนต่ำก็กลายเป็นคนสูงคนเล็ก ก็กลายเป็นคนโตคนโตก็กลายเป็นคนเล็กคิดการตื้นตื่นแค่นี้แหละคิดไปจนสามารถที่จะรูปไกลๆเข้ามาใกล้ๆได้ครั้งแรกนั้นก็มักเป็นพวกผู้คิดในทางฝ่ายยุทธศาสตร์ความคิดเกิดจากพวกนี้ก่อนอีกแขนงหนึ่งความคิดมันเกิดขึ้นจากพวกแพทยศาสตร์ พวกนี้ต้องใช้ความคิดลึกกว่าธรรมดาหรือเช่นพวกเดินเรือทะเลเขาก็คิดที่จะมองหาเรือที่เดินผ่านไกลๆทำอย่างไรจึงจะมองเห็นทำอย่างไรจึงจะทำเรือลานั้นให้เงามาติดในเรือของตนพยายามคิดไปจนสำเร็จคิดขั้นแรกก็คิดโง่ๆอย่างเรานี้แหละคิดโง่ๆอย่างไรคิดแบบ กระจกสองหน้านี่เองไม่ได้คิดวิเศษวิโสทําเสากระโดงให้สูงขึ้นไปบนอากาศเมื่อวัตถุต่างๆมาติดกระจกก็เอากระจกต่อกระจกมาส่องกันเองทีนี้ส่องกันไปส่องกันมาหลายๆบานเข้ากระจกเงานั้นก็ดึงเอารูปนั้นลงไปในท้องเรือไม่ต้องมองกระจกบานบนมองดูกระจกเล็กๆ อยู่ท้องเรือนั้นมองเห็นเรือลำนั้นอยู่ไกลๆ ไ, ได้เขาคิดกันแค่นี้แหละนานๆเข้าก็สร้างกระจกแผ่นเดียวทำกระจกนั้นให้เป็นคลื่นพอเรือมากระทบคลื่นกระจกบนคลื่นล่างก็รับรับกันเรื่อยลงไปจนใต้แผ่นน้ำคิดไปคิดมาจนในที่สุดเวลานี้ไม่ต้อง เขาก็สร้างกล้องเรดาร์ขึ้นชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้กระจกเงาและไม่ต้องใช้กระจกเป็นคลื่นกล้องนิดเดียวเท่านั้นแหละสามารถที่จะดูดเอาเรือไกลๆมาเห็นอยู่ในท้องเรือจนสำเร็จตามความต้องการของเขานี่เป็นวิชาชั้นสูงในทางวิทยาศาสตร์มาสมัยนี้ในทางแพทยาศาสตร์ก็ค้นควา้าค้นคว้าในการที่จะมาให้มนุษย์ตาย ต่างคนต่างคนแต่ยังไม่พบยังไม่เจอคนเท่าไรมันก็ยังตายกันอยู่ยังไม่สำเร็จที่จะทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวไปกว่าธรรมดายังไม่สำเร็จนี่ก็ค้นคิดพิจารณากันอยู่โดยไม่ต้องอาศัยแบบตาราแล้วมาสมัยนี้ยังคิดคืบหน้าออกไปอีกแต่มันจะเป็นไปได้เพียงไรนั้น เป็นเรื่องของพวกเขาคิดว่าจะขึ้นไปอยู่ในพระอังคารมันคงจะสบายมากแต่ก็นึกว่ามันสำเร็จได้ยากทำไมถึงสำเร็จได้ยากคือคนมันไม่จริงทำไมถึงเรียกว่าไม่จริงมันสงสัยมันไม่ชัดในอกในใจเป็นความคิดคาดคะเนมันยังไม่แน่ชัดในใจ ไอ้ความสงสัยอันนี้แหละมันเป็นของที่สาเร็จได้ยากนี่เรื่องวิชาของโลกเป็นวิชาพิเศษส่วนหนึ่งซึ่งเป็นของพวกนักคิดเรียกว่าอินตาไมยะปัญญาแต่ว่าสรุปลงสองชนิดนี้ไม่เป็นวิชาพ้นไปจากทุกข์เป็นวิชาสร้างบาปเป็นวิชาสร้างกรรมวีอยู่ถึงเจ็ดสิบส่วน ส่วนวิชาที่ให้ประโยชน์นั้นมีอยู่สามสิบเท่านั้นทำไมถึงมีอยู่เพียงสามิถ้ามันก่อสงครามโลกแล้วก็ชิบหายละแต่ส่วนที่ใช้ประโยชน์ให้ความสะดวกในการคมนาคมของมนุษย์มันมีน้อยเหลือเกินโดยมากมันมุ่งไปในทางประหัตประหารกันมุ่งในทางสร้างอำนาจสร้างอิทธิพลโดยมาก เป็นไปโดยอาการเช่นนั้นฉะนั้นจึงไม่พ้นไปจากทุกไม่พ้นไปจากการเกิดแก่เจ็บตายดูกันใกล้ๆอย่างทุกวันนี้เช่นบางพวกชลาดสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเมื่อสร้างแล้วก็เอาไปขายเอาเงินบางทีอาวุธหรือศาสตราที่ขายเขานั้น มันกลับไปฆ่าเขาผู้สร้างตัวอย่างเช่นบางประเทศสร้างอาวุธไม่ได้เลยแต่ประกาศสงครามต่อสู้กับผู้ให้อาวุธอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นวิชาของโลกมันให้ผลเสมอเพียงแค่นั้นฉะนั้นในทางศาสนาของเราพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้แจงไว้อีกข้อหนึ่งเป็นวิชาธรรม วิชาธรรมนี้เกิดขึ้นได้สองชนิดชนิดหนึ่งเกิดจากความคิดนึกตรึกตรองพินิษพิจารณาเบื้องต้นท่านเรียกว่าวิตกวิจาร์ตำกว่านั้นท่านเรียกว่าโยนิโสมนัสีการเมื่อเราได้สดับหรือเราได้ฟังเราจะต้องโยนิโสมนาสีการเราต้องใคร่ครวนทบทวนพินิษพิจารณาดูเสียก่อน จึงค่อยเชื่อตัวอย่างเช่นเราจะทําบุญเห็นเคาว่าบุญบุญเท่านั้นได้ยินแต่ชื่อก็อยากได้แต่ไม่ได้ไตร่ตรองพินิษพิจารณาว่าของสิ่งใดมันเป็นสิ่งควรแก่การทําบุญบุคคลชนิดไหนเป็นผู้ควรจะสมค่ากองบุญกองกุศลของเราต้องตรองพิจารณาดูเสียก่อนคือตรวจดูตนของตน และตรวจดูพัสดุที่ตนจะบริจาคแล้วก็ตรวจดูบุคคลที่จะรับวัตถุไปจากเราว่าเป็นการคู่ควรหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นการคู่ควรก็ทำได้แต่ว่าทำด้วยความรู้ไม่ทำด้วยความหลงไม่ทำด้วยความอยากอยากได้ก็ทำแต่ไม่มีการโยนิโสมนัสิกานก็ชื่อว่าขาดจินตามัยยะ ต้องใค ร, คร่ครวนพิจารณาทบทวนดูหลายๆลชั้นเสียก่อนจึงค่อยประกอบกิจการเหล่านั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าทำความดีอาศัยปัญญาปัญญาที่เรียกว่ากุศลาธรร ม, มานี้เป็นชื่อของปัญญาแต่เราไม่ได้แปลกันแปลกันแต่ว่ากุศลาคือกูศสกุูสลสส่วนนี้เป็นคุณสัพ เป็นนามสัพท์ก็ได้เป็นกริยาศัพท์ก็ได้เป็นนามศัพท์นั้นกุศลาแปลว่าบุญนี่นามศัพท์กุศลาแปลว่าผู้แสดงมรน ญ, ญาตให้เป็นไปด้วยความสุจริตมีการกระทําทางกายก็สุจริตทางวาจา ก, ก็สุจริตมีความประพฤติเป็นไปในทางจิตก็ชอบนี่ก็ชื่อว่ากุศลาเป็นกริยาศัพท์ เป็นคุณนัพั์ก็ได้ได้แก่การทําความดีอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะได้รับความบริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นคุณนัพั์ทีนี้ปัญญาก็เป็นคุณนัพั์แปลว่ากุสโลบายทําสิ่งใดต้องอาศัยปัญญาไตร่ตรองพินิจพิจารณาเสียก่อนให้รอบคอบจึงประกอบกิจการเหล่านั้นให้สําเร็จขึ้นด้วยความสมบูรณ์เรียกว่า ขุดสโลบายฉลาดมีนโยบายทําคุณความดีให้เกิดขึ้นในตนด้วยความบริสุทธิ์เหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงกําชับพวกเราให้เป็นผู้ไตร่ตรองพินิจพิจรารณาโยนิสโสมนสีการดูเป็นผู้ใคร่ครวนทวนหลายรอบเชียก่อนเมื่อเราใคร่ครวนทวนหลายรอบชัดเจนแจ่มแจ้งในจิตแล้วก็ทํา ธรรมดาทางเช่นใดมันเดินมันเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนเข้าเราสามารถที่จะมองเห็นประตูดได้เดินกลับไปกลับมาหลายหลาครั้งต้นหญ้ามันก็ตายความรู้มันก็เกิดขึ้นทางที่เราเดินอยู่นั้นเป็นต้นไม้อะไรเป็นผักอะไรกินได้หรือกินไม่ได้เราก็ทราบทางเดินของเรามันเปลี่ยนขึ้น ทางที่เตียนนั้นมันได้ผลหลายอย่างอย่างหนึ่งเดินสบายเท้าอย่างที่สองเกิดผลพลอยได้ตัวอย่างเช่นเรารู้ของที่อยู่ริมทางผักหญ้าชนิดไหนที่เขานิยมกินได้หญ้าชนิดไหนกินไม่ได้ถ้ากินไม่ได้เราจะเอาไปทำประโยชน์อะไรมันอาจที่จะทำเป็นปุ๋ยก็ได้ที่กินได้ เราจะเอาไปทำอะไรเหลือกินก็เอาไปขายที่ตลาดนี่เรียกว่าผลพลอยได้นอกจากนั้นเมื่อต้องการรีบด่วนจะวิ่งก็สบายเราจะนั่งถูนั่งไถอยู่ก็สบายก่นแม้เราง่วงนอนจะนอนไปในทางที่เตียนก็ได้หรือมีงูหรือศัตรูต่างๆมาผ่านทางเข้าเราสามารถที่จะวิ่งได้ด้วยความเร็ว ได้ผลความดีขึ้นพวกเราจะทําสิ่งใดในส่วนบุญส่วนกุศลนั้นถ้าใคร่ครวนทวนหลายๆครั้งได้รับผลดีนี่เรียกว่าจินตามยะปัญญาในข้อตน้นข้อที่สองต่อไปนั้นเป็นการที่ลึกเข้าไปอีกท่านเรียกว่าวิตกวิจารณ์ท่านไม่เรียกว่าจินตามยะแต่มันก็อยู่ในจินตามยะ นั่นเองแหละแต่ต่างกันในข้อนี้ก็ควรจะตั้งชื่อขึ้นอีกว่าภาวนาไมายะปัญญาคนภาวนาก็ต้องคิดเหมือนกันภาวนาไม่คิดไม่ได้ต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องประกอบองค์ภาวนาตัวอย่างเช่นองค์ฌานท่านบอกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจาร์เลือกอารมณ์ว่า เราพิจารณากรรมฐานอันใดเป็นที่สะดวกสบายแก่ตนพิจารณาดูกรรมฐานเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้แหละเป็นที่สะดวกสบายแก่ตนเช่นหายใจอย่างนี้เป็นต้นหายใจช้าหายใจเร็วหายใจสั้นหายใจยากหายใจแคบหายใจกว้างหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจอุ่น หายใจแค่ปลายจมูกหายใจแค่คอหอยหายใจลงไปถึงหัวอกเมื่อเรามาคัดเลือกอารมณ์จนเป็นที่ชอบใจแล้วก็จับอารมณ์นั้นเรียกว่าเอกคัตารม์ทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกคัตาเมื่อเราได้องค์เอกคัตตาเกิดขึ้นในดวงจิตวิจารพิจารณากรรมฐานวิตก ยกอารมณ์นั้นให้เด่นอย่าให้จิตของเราแยกจากอารมณ์อย่าให้อารมณ์แยกจากจิตให้นึกว่าเหมือนกินข้าวให้ข้าวของเราที่จะกินนั้นตรงเข้าไปในปากให้ปากมันตรงกับก้อนข้าวอย่าให้มันพลาดถ้าพลาดก็เลยไปหูนนนกินข้าวเอาอุดเข้าไปในรูหูบางทีก็ใส่ใต้คางบางที ก็ใส่ไปในลูกตาบางทีก็ใส่ไปบนหน้าผากอย่างนี้มันก็ไม่สําเร็จในการกินฉันใดก็ดีอารมณ์ของเราที่เรียกวันหนึ่งนั้นนะ่ะบางทีก็ไพร่ไปโน่นอดีตล่วงไปตั้งร้อยปียังไปสาวอยู่โน่นบางทีก็เปิดไปในอนาคตซึ่งยังไม่มาถึงก็ไปสาวเรื่องราวเข้ามารกอกรกใจนี่เรียกว่า ยื่นคำข้าวขึ้นแล้วมันก็เลยศีตรษะตกไปข้างหลังหมาเอาไปกินหายบางทีก็ยกขึ้นมาแค่ปากยังไม่ได้คาบผ่าปลาไปข้างหน้านนเมื่อเป็นอย่างนี้เรียกว่าจิตของเรายังไม่แนบสนิทอยู่ในอารมณ์เมื่อยังไม่แนบสนิท ต, ตัววิตกมันยังไม่แน่นเราต้องทำตัววิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ แล้วก็ประคองจิตขึ้นอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนคนที่ประคองอาหารของตนให้มันตรงกับปากให้มันเข้าปากอันนี้ท่านเรียกว่าวิตกคำข้าวตรงปากปากตรงคำข้าวแน่ใจว่าเป็นคำข้าวอะไรเป็นอาหารหวานหรืออาหารข้าวเป็นอาหารประณีตหรืออยากเมื่อเราทราบเรื่องราวแล้ว ก็ปั๊บเข้าไปในปากเคี้ยวขยําเข้าไปเลยนี่ท่านเรียกว่าวิจารได้แก่พวกเราตรองอารมณ์อารมณ์ที่เรากําหนดอยู่นั้นพิจารณาพิจารณาอารมณ์ที่เรากําหนดอยู่นั้นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นบางคราวก็เป็นส่วนอุปจาระภาวนาพิจารณาอารมณ์หยาบหยให้มันละเอียดพิจารณาลมหายใจ เมื่อหายใจยาวก็พ you know ิจารณาลมหายใจยาวเมื่อหายใจสั้นก็พิจารณาลมที่หายใจสั้นเมื่อหายใจช้าก็พิจารณาลมหายใจช้าว่าลมอยู่กับจิตหรือไม่จิตอยู่กับลมหรือไม่หายใจสะดวกคล่องแคล่วดีหรือไม่ตรวจพิจารณาลมอยู่โดยอาการเช่นนี้นี่เรียกว่าวิจาร เมื่อวิตกวิจาร์เกิดขึ้นในดวงจิตเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาวิตกเป็นองค์สมาธิเอกขัตาเป็นองค์สมาธิวิจาร์เป็นองค์ปัญญาเมื่อสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจิตนิ่งสงบก็เกิดวิชาขึ้นถ้าวิจาร์มากเกินไปความสงบมันก็ดับถ้าสงบเกินไปความคิดมันก็ดับ ให้คุมการสงบจิตของเราให้พอดีพอเหมาะให้พอดีกันถ้าปรุงไม่เป็นมันก็เกิดโทษบางทีสงบมากเกินไปมีโทษพือจิตมันเดินช้าในทางปฏิบัติบางคราวคิดมากเกินไปจนสมาธิดับไม่ดีนั่นก็เลยไปอีกนี่ท่านให้พิจารณาวิจารณ์ดูให้มันถี่ท้วน เหมือนเรากินอาหารอีกแหละอาหารที่เราอยากถมเถกินเข้าไปติดคอตายก็มีอันใดที่ให้ประโยชน์พอสู้ได้เช่นฟันเราพอใช้หรื อ, อยังบางคนก็มีแต่เหงือกต่อยากกินอ้อยนั่นมันผิดธรรมดาบางคนก็ฟันหักฟันหลุดเจ็บปวดยังอยากกินแต่ของแข็ ง, ขง มันก็เกิดโทษนี่มันเป็นอย่างนี้ดวงจิตของเรามันก็เหมือนกันเมื่อสงบเข้านิติดิ้นหน่อยๆก็อยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากดีเลยตัวนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องปรับปรุงสมาธิให้พอกับฐานเสียก่อนปรับปัญญาให้มันพอเหมาะสมาธิก็ให้พอเหมาะกับปัญญา ปัญญาก็ให้มันพอเหมาะกับสมาธิการปรับปรุงข้อนี้เป็นส่วนสำคัญมากคือองค์วิจาร์แก่ตัววิตกมันก็มั่นตัวอย่างเรามีควายตัวหนึ่งเอาเชือกผูกมัดหลักแล้วก็ตีหลักจมลงไปในดินถ้าควายมีกำลังมากมันวิ่งหรือมันเดินหลักเราก็ถอนเมื่อหลักถอน ก็เปิดเปลิงไปอีกต้องคอยดูกำลังควายของเราด้วยถ้ากำลังมันแรงมากเกินไปตีหลักให้มันแน่นคอยเฝ้าต้นเสาอยู่อย่างนี้เป็นต้นคือถ้าความฟุ้งซ่านของความคิดเรามันเลยเถิดมันเปิดเปลิงไปนอกจากวงขอบของสมถะกำหนดจิตลงไปให้สงบลงมากแต่อย่าให้สงบมากจนลืมหน้าลืมหลัง ถ้าสงบมากเกินไปจนไม่รู้ตัวอะไรเลยไม่รู้เรื่องสงบมากเข้าก็มักลืมทีนี้นั่งไม่รู้ตัวเผลอไปเป็นคราวๆอย่างนี้ก็มีบางทีก็ไม่รู้ตัวนั่งเงียบบางทีก็รู้แต่มันพลุกพุกโผล่โผพวกนี้แหละเรียกว่าสมาธิขาดการวิตกวิจารการคร่ครวนมันก็กลายเป็นวิจฉาสมาธิ ฉะนั้นต้องสังเกตดูให้ดีแล้วใคร้ครวนพินิจพิจารณาแต่จิตไม่มีอาการไหวตัวไปตามความนึกคิดความนึกคิดมันเป็นส่วนหนึ่งดวงจิตเราตั้งอยู่ในองค์กรรมฐานเราจะหมุนตัวไปทางไหนเราก็หมุนอยู่ในหลักเช่นเราเอามือกอดต้นเสาไว้มือหนึ่งหรือสองมือเราจะวิ่งก็วิ่งวนอยู่กับต้นเสา มันไม่เสียกําลังถ้าเราปล่อยเสาวิ่งวนสามรอบเวียนศีรษะล้มฟังไปทันทีดวงจิตของเราก็เหมือนกันถ้าคิดนึกตรึกตรองมองสิ่งใดก็ตามให้มันอยู่ในเอกคตารมณ์ไม่มีอาการเหนื่อยไม่มีเสียหายความคิดเป็นจินตามายะปัญญาความสงบเป็นภาวนามายะปัญญา มันอยู่ด้วยกันทีนี้นี่มันเป็นกุศโลบายเป็นปัญญาในขั้นสมาธิมันติดกันไปเรื่อยอย่างนี้ขั้นฐานก็อยู่ในโยนิสโสมนสีการขั้นศีลก็อยู่ในโยนิสโสมนสีการทำสมาธิไม่ขัดมันเป็นตัววิตกวิจารณ์แก่ขึ้นไปอีกเมื่อเรามีวิตกวิจารณ์กํากับดวงจิตนึกเท่าไหร่ ดวงจิตยิ่งแน่นั่งเท่าไรยิ่งคิดดวงจิตก็แน่แน่จนนิวรณ์ขาดไปจากจิตจากใจไม่เที่ยวไปตามสัญญาต่างๆดวงจิตนั้นก็จะเกิดวิชาทีนี้มันก็เกิดวิชาขึ้นวิชาที่เกิดจากนี้คืออะไรไม่ใช่วิชาธรรมดาคือมันมาล้างวิชาเก่า วิชาที่โยนิโสมนาสีการไม่เอาปล่อยวิชาที่เกิดขึ้นจากวิตกวิจารณ์ไม่เอาเลิกทำจิตนิ่งสงบเมื่อจิตสงบไม่มีนิวรณ์มาเจือปนก็เป็นตัวบุญเป็นตัวกุศลเมื่อดวงจิตของตนเป็นไปเช่นนั้นไม่ติดสัญญาใดๆทั้งหมดสัญญาที่เคยรู้มาในทางโลกและทางธรรมจำได้มากน้อยเพียงใด ล้างเกลี้ยงเมื่อเรามาล้างไปจนหมดอย่างนั้นอย่างอื่นมันถึงจะเกิดฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ยึดสัญญาความจำได้หมายรู้ในส่วนต่างๆทั้งหมดจะต้องยอมจนตรอกคนใดที่มันเกิดความคิดมักในคราวจนนั่นแหละถ้าไม่แสดงตนเป็นคนจนตรอมันไม่เกิดปัญญาคือหมายความว่าไม่ต้องกลัวโง่ ไม่ต้องกลัวไม่รู้ไม่เห็นไม่มีไม่เป็นไม่ต้องไปใช้สุดตะปัญญาของสุดตะไม่ต้องการเพราะมันเป็นสัญญาอนิจจาปัญญาที่เกิดขึ้นจากกินตามยยะไม่ต้องการเพราะมันเป็นสัญญาอนัตตาปล่อยให้มันดับให้หมดให้เหลือแต่ดวงจิตตั้งเที่ยงไม่เอียงไปข้างหน้าไม่เอียงไปข้างหลังไม่เอียงไปข้างซ้าย อ, อัตตกิลามาฐานุโยคคือความไม่พอใจไม่เอียงไปข้างขวาคือกามาสูขันลิกานุโยคคือความพอใจทําจิตให้นิ่งสงบเป็นกลางวางเฉยตั้งตระ ง, งานเมื่อจิตเป็นไปได้เช่นนี้นั่นแหละสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมันก็มีเงามองเห็นเงาปรากฏ เกิดวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือตัววิชาวิปัสสนากรรมฐานเป็นตัวปฐมวิชาเป็นปรัชญาในทางพระพุทธศาสนาของเราท่านจึงจัดว่าเป็นวิชาข้อแรกเป็นวิชาข้อหนึ่งคือวิปัสสนาญาณวิชาข้อที่สองคืออิทธิวิถีวิชาข้อที่สามคือมโนมยิทธิ วิชาข้อที่สี่คือทิพจกักขุวิชาข้อที่ห้าคือทิพสโตวิชาข้อที่หคือเจโตปริยะยานวิชาข้อที่เจดคือปุเพนิวาสารุสติยานและ ว, วิชาข้อที่แปดได้แก่อาตวัคยญยานทั้ง8ปดข้อนี้เป็นวิชาเกิดขึ้นจากสมาธิคนไม่มีสมาธิไม่มีเกิด รับรองเด็ดขาดจะฉลาดมากน้อยเพียงใดก็ตามมันไม่สำเร็จเป็นวิชามันก็ตกอยู่ในอำนาจของอวิชาทั้งนั้นวิชาแปดประการนี้มันเกิดจากสัมมาสมาธิวิชาแปดประการเกิดขึ้นแล้วท่านก็ไม่เรียกว่าความคิดท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นว่าอันนั้นผิดผิดจริง อันนี้ถูกถูกจริงนี่สัมมาทิฏฐิสิ่งที่ผิดเห็นเป็นถูกมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่ถูกเห็นเป็นผิดมิจฉาทิฏฐิส่วนสัมมาทิฏฐิสิ่งเป็นผิดผิดจริงสิ่งเป็นถูกถูกจริงถ้าจะกล่าวตามเหตุตามผลได้แก่เห็นอริยสัจจะทำคือเห็นทุกมันทุกจริงจริงเห็นสมุทยเกิด มันเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆเป็นอริยสัจเป็นของไม่เท็จเป็นของที่ค้านไม่ได้เป็นของที่มีความจริงนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นในส่วนทุกข์เกิดมาจากเหตุเหตุอันนี้ต้องทุกข์ทุกข์จริงๆเห็นเหตุแห่งความดับทุกข์ว่าทางที่เราเดินไปนี้มันต้องไปเข้านิพพานไม่ต้องสงสัยถูกจริงไม่ผิดเดินถึงก็ตาม เดินไม่ถึงก็ตามแต่ความเห็นมันถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่นี้ข้อสองนั้นคือรู้แจ้งทางนิโรธความดับทุกข์มีจริงเมื่อเราจเจริญมากเราก็จะต้องดับทุกข์ได้จริงเมื่อรู้เห็นเป็นจริงเกิดขึ้นในดวงจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณ น, นี่อย่างพิสดาลอย่างสั้นๆคือเห็นว่า สิ่งทั้งหลายภายในก็ตามภายนอกก็ตามมันไม่แน่นอนทั้งนั้นตัวเราเองก็เป็นของไม่แน่นอนตายก็ไม่แน่นอนแก่ก็ไม่แน่นอนมีลักษณะกลับกรอกหลอกลวงยักย้ายแปรผันอยู่เป็นนิดนี่เรียกว่าเห็นอนิจจงอย่าไปดีใจในเรื่องอนิจจงอย่าไปเสียใจในเรื่องอนิจจง ทำจิตให้เป็นกลางจึงเรียกวิปัสสนาบางทีไปเห็นเขาไม่เที่ยงดีใจบางทีเสียใจตัวอย่างเช่นเราไม่ชอบคนโน้นได้ข่าวว่าคนโน้นจะตายหรือป่วยหรือจะต้องถูกถอดยศเราก็ดีใจอยากให้มันตายเสียเร็วๆเพราะสังขารของเขาไม่เที่ยงความเป็นอยู่ของเขาไม่แน่ มันแปลไปได้แต่เราพอใจนี่เรียกว่าเป็นตัวกิเลสที่นี้ถ้าไปเห็นคนดีเป็นลูกเป็นหลานได้ดบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้ามีตาดีใจนั่นแหละดวงจิตเราผิดไปจากองค์อริยมรรคไม่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิต้องทำใจเป็นกลางไม่ดีใจในวัตถุไม่เสียใจในวัตถุ ไม่ดีใจในเรื่องราวที่นึกคิดสำเร็จไม่เสียใจในเรื่องที่นึกคิดไม่สำเร็จทำดวงจิตเป็นกลางวางเฉยอยู่อย่างนี้นี่ความเป็นกลางของสมาธิจิตมีความเห็นว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกพยายามแก้ดวงจิตอย่าให้เป็นไปในทางผิดพยายามต้อนดวงจิตให้มันเป็นไปในทางถูก นั่นเรียกว่าสัมมาสังกัปปนี่เป็นวิปาาัสนาญาณทีนี้ส่วนความทุกข์ก็เหมือนกันเราจะเป็นทุกข์เองก็ตามหรือคนอื่นเขาจะเป็นทุกข์เองก็ตามถ้าคนใดเป็นศัตรูแก่เราเป็นทุกข์สาทุกขให้มันตายคิดหายเร็วๆเถิดดวงจิตมันเอียงถ้าคนใดเป็นเพื่อนเป็นมิตรเราได้ทราบข่าวว่าเขารวย เขามั่งเขามีอย่างนี้เราก็ดีใจถ้าหากเป็นลูกเป็นหลานเราเจ็บหนักเราก็เสียใจนี่ก็เรียกว่าดวงจิตเราล้มไปกับความทุกข์มีความทุกข์ใจไปที่นั้นโดนทุกข์ทไมถึงโดนเพราะไม่มีวิชาเพราะจิตไม่ตั้งคือดวงจิตไม่เป็นสัมมาสมาธิเราต้องรักษาจิตของเราอย่าให้มันแยก ไปในความทุกข์มันจะทุกข์ก็ทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์คนในโลกมันจะทุกข์ก็ตามแต่กูไม่ทุกข์ไปกับมันร่างกายมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกข์ไปกับมันมันจะทุกข์ก็ทุกข์ไปแต่ใจไม่ทุกข์ทำจิตใจให้เป็นกลางไม่ดีใจในความสุขที่มีอยู่ในตนสุขมันก็ทุกข์ทำไมมันทุกข์ ความสุขมันแปรได้มันขึ้นมันลงมันสูงมันต่ำแปรได้คือมันทนไม่ไหวนั่นแหละคือทุกข์ความเดือดร้อนก็ทุกข์มันมีทุกข์สองทุกข์เมื่อดวงจิตเห็นแจ้งชัดในกองทุกข์เช่นนี้คือเห็นทุกข์เป็นตัววิปัสสนาเกิดขึ้นในดวงจิตส่วนอนัตตามาพิจารณาถึงสิ่งสภาพทั้งหมดเราไม่ยึดสิทธิ เราไม่แสดงอำนาจไม่แสดงอิทธิพลว่าเก่งกาจสามารถทำลายสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นให้อยู่ในอำนาจเราจะไปกีดกันกั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จทีนี้มันจะแก่ก็ให้มันแก่ไปเถิดมันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปเถิดมันจะตายก็ให้มันตายไปเถิดไม่แสดงความ ดีใจในความตายของตนและคนอื่นไม่แสดงความเสียใจในความตายของตนและคนอื่นทําจิตเป็นกลางวางเฉยเป็นสังขารูเบกขาญาณปล่อยสังขารตามสภาพดวงจิตนั้นเป็นดวงจิตที่อยู่ในวิปัสสนานี่เรียกว่าเป็นวิชาข้อหนึ่งเป็นตัววิปัสสนาโดยสั้นเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยง เห็นสังขารเป็นทุกข์เห็นสังขารไม่ใช่ตัวตนเราก็ปลดสังขารออกไปจากความยึดความถือปล่อยวางไปตามสภาพทีนี้แล้วก็ดีละสิดีอย่างไรเราไม่ต้องเหนื่อยไปแบกสังขารอณิจังของไม่เที่ยงเอาไว้ข้างหลังอนาตตาของไม่ใช่ตัวตนเอาไปไว้ข้างหน้าอุปาทานเป็นคนหาทุกข์ เอาไว้ในปัจจุบันเอาละสิทีนี้ตาขี้ทุกยายขี้ทุกหาบกันไปบางทีแหละอนัตตามันหนักข้างหน้าหกเมรเทนเทหัวปากดินบางทีอนิจจังมันหนักข้างหลังไงยท้องทุกขังทวงหนักครุกคลักตกปลักจมดินกลายเป็นพระเทวทัตแผ่นดินสูงนี่จึงเรียกว่าขี้ทุก คนขี่ทุกข์คนขี้ยากแต่อวดมั่งอวดมีมีคานสี่เหลี่ยมมีตะ ก, กร้าสี่ใบใบข้างหน้าใบข้างหลังแบกใส่บา่าอุปทานคือคานหามอุปทานขันมีห้าอย่างรู ป, ปูปาดานักขั้นโทหากรูปนี้คานหนึ่งเวเดนูปาดานักขั้นโท เวทนาขันที่เราไปยึดถือเวทนาขันที่เราไปยึดถือเป็นคาร์นอีกสั้นยูปาดานักขั้นโทสัญญาความเข้าไปจําได้หมายรู้ยึนนยดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็ญญนคาร์นหามคาร์นหาบตั้งข่ารูปาดานักขั้นโทยึดถือสังขารความคิดนึกว่าเป็นตัวเป็นตนวิญญาณูปาดานักขั้นโท ถือวิญญาณว่าเป็นตัวเป็นตนหาบกละสีทีนี้คานหนึ่งเอามาขนาบขาซ้ายให้เข่ามันหาบคานหนึ่งเอามาขนาบขาขวาให้เข่ามันหาบคานหนึ่งเข้าไปใส่ไหลซ้ายให้ไหลมันหาบคานหนึ่งก็ใส่ไหลขวาให้ไหลมันหาบอีกคานก็ใส่บนหัวหาบไปเถิดทีนี้อิรุงตุงนังผารุงผารัง พาราฮาเวปัญจากขั้นถาหาบกันไปเถิดขันห้ามันเป็นของหนักภาราฮาโรจะปุกกโลบุคคลพากันหาบไปอย่างนี้ก็มีเป็นภาระอันหนักภาราดาหนังทุกขั้งโลเกหาบไปเถิดรอบทิศเรามัวเป็นทุกข์ในโลกนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่าผู้ไม่มีปัญญา ผู้ไม่มีวิชาผู้ไม่เจริญสมาธิภาวนาให้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นจะต้องหาบทุกหาบคันกันอยู่อย่างนี้เป็นนิพพหน้าทุเรศน่าสงสารจะไปไหนก็ไปไม่รอดพากันหาบอย่างนี้มันทุเรศทุรังมากขาก็หาบไหล่ก็หาบไม่รู้จะหาบไปไหนกันหาบกันไปข้างหน้าหาบกันมาข้างหลัง ก้าข้างหน้าสเก้าถอยหลังสองเก้าชักเขย่กันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ท้อถอยเดี๋ยวก็เกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นนี่เมื่อใครมาพิจารณาเห็นอนิจจังสังขารทั้งหลายภายในภายนอกเป็นของไม่แน่มาพิจารณาสังขารให้เห็นเป็นทุกมาพิจารณาสังขารให้เห็นไม่เป็นตัวตน มันวนเวียนอยู่ในตัวเหล่านี้เมื่อเห็นเช่นนี้ก็วางภาระวางคานเสียคือความยึดความถือวางสัญญาอาดีตคือความเป็นห่วงบ่วงใหญ่วางสัญญาอนาคตความอาลล่อาวรวางสัญญาในปัจจุบันความถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อตะกร้าสามลูกหลุด จ, จากข้างหน้าหลุด จ, จากข้างหลังหลุด จ, จากไหล เดินไปอย่างสบายที่นี้จะรำไปก็ได้เอาขารำไปก็ได้นี่มันก็งามสิที่นี้ที่เขาเรียกว่านางงามไปที่ไหนก็มีคนชอบทำไมจึงชอบละ่ะคนมันไม่มีความรุงรังจะทำอะไรก็สบายแม้จะวิ่งจะเดินจะเหินแม้จะรำจะร้องสนุกมันสนุกทั้งนั้น นี่เป็นนางงามของพระพุทธศาสนาเป็นกาลยานชนคนดีแม้จะไปอยู่ในสังคมใดก็ดีมีความสวยความงามเพลิดเพลินเจริญจิตไม่ติดหางไม่ติดคอนมันก็สบายละคนเรานี่เรียกว่าวิปัสสนาญาณข้อแรกเมื่อเราได้ปราบปรามเสี้ยนหนามเหล่านี้ให้ราบลื่นไปจนหมดสบายใจเอาละสิทีนี้ เราก็จะได้วิชาเป็นอาวุธวิชาเป็นอาวุธคืออะไรอิทธิวิธีเราสามารถที่จะแสดงฤทธิ์ขึ้นโดยทางใดทางหนึ่งมีปาฏิหาริเกิดขึ้นเรียกว่าอิทธิวิธีแสดงปาฏิหาริทางกายแสดงปาฏิหาริทางวาจาแสดงปาฏิหาริในทางดวงจิตทำฤทธิเดชได้ต่างๆเป็นเครื่องใช้ของสอยเป็นาศาสนา ทำกิจของพระศาสนานี่คืออิทธิวิธีแต่ทางบาลีแสดงว่ามีอาการเดินหลายอย่างเดินในน้ำไม่เปียกเดินในไฟไม่ร้อนตากฝนไม่เปียกตากลมไม่หนาวตากแดดตากฝนอดทนแข็งแกร่งทำให้เป็นคนแก่คนเท่าถ้าคนแก่ทำให้เป็นคนหนุ่มคนสูงทำให้เป็นคนต่ำ คนต่ำทำให้เป็นคนสูงดัดแปลงร่างกายได้หลายอย่างหลายประการพระพุทธเจ้าจิงทรงทรรมศาสนาิจได้แก่คนไม่เลือกถ้าไปสอนคนแก่ท่านก็ทำร่างกายแก่คนแก่กับคนแก่คุยกันมันสนุกไม่มีอาการระแวงถ้าท่านไปพบกับพวกสาวๆ ส, ว, สวยๆท่านก็ทำตัวเป็นหนุ่มขึ้นมันสนุก ผู้หญิงสาวๆก็สนุกตัวท่านเองก็สนุกคุยกันไม่เบื่อเหตุนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงจึงเป็นที่พอใจแก่ปวงชนทุกเหลา่าท่านสามารถที่จะปรับปรุงร่างกายท่านได้ในสังคมทุกแห่งยังจะไปคบกับเด็กท่านก็เล่าเรื่องเด็กทำเหมือนเด็กเมื่อไปพบคนแก่ท่านก็ทำเหมือนคนแก่เล่าเรื่องคนแก่ ถ้าท่านไปเจอคนหนุ่มคนสาวขึ้นท่านก็เล่าเรื่องของหนุ่มของสาวทำความเพลิดเพลินให้เป็นที่พอใจของเขาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสกลายมาเป็นพุทธกลายมาบวชในศาสนาอย่างนี้ก็มีนี่ท่านเรียกว่าอิทธิวิถีมโนมยิธิเกิดฤทธิ์ขึ้นทางจิตดวงจิตมีฤทธิ์มีฤทธิ์อย่างไร จะไปไหนก็ไปได้อยากไปเที่ยวในนรกก็ไปได้อยากไปเที่ยวดูในสถานที่ต่างๆไปวิเวกบางคราวก็ไปเที่ยวอยู่เมืองนรกสบายดีไปเล่นอยู่กับพวกสัตว์นรกไปหยอกพวกสัตว์นรกคนใดบาปน้อยก็ขึ้นมาสนทนาฝากข่าวกุศลมาหาญาติบุคคลที่ได้คำสั่งมาจากนรก ก็มาแนะนำสั่งสอนพวกญาติให้ทำบุญนี่ไปเที่ยวเมืองรกบางคราวก็ไปเที่ยวกับพวกสัตว์เดรฉ า, านไปสนทนากับพวกสัตว์นกเอี้ยงนกสาลิกานกอูกนกอะไรก็ตามหรือสัตว์สี่เท้าก็ดีสองเท้าก็ดีไปอยู่ในป่าในดงในรกผงไพรก็ดีไปสนทนาคุยกับสัตว์มันก็สนุกละสิ ที่นี้มันสนุกไม่เหมือนคุยกับคนคุยกับคนมันลำบากคุยกับสัตว์มันสบายไม่ต้องพูดมากเพียงแต่นึกในใจสนทนากันไปเล่าเรื่องอะไรต่างๆถามข่าวถามเคล่า ว, ว่าแกไปอยู่เป็นสัตว์กินอะไรกินอิ่มน้ำสาราญดีอยู่ละหรือสนทนากันเรื่อยมีเพื่อนมีฝูงเคยเป็นญาติ เป็นมิตรสายกันนี่ท่านก็รู้จักไปเที่ยวในเมืองสัตว์แล้วก็ไปเที่ยวในเมืองเปรตเมืองเปรตยิ่งสนุกเปรตมันมีหลายจำพวกสนุกมากพวกเปรตบางตัวหัวเท่าตุ่มปากหลวมเข็มปากของเปรตมันรูหลวมเท่ารูเข็มเท่านั้นบางตัวขายาวตั้งสามวามือมันสั้นเพียงคืบเดียวเท่านั้นแหละหน้าดูเหมือนกับการ์ตูน นั่นแน่บางพวกก็มีแต่ริมฝีปากข้างล่างบนไม่มีบางพวกริมฝีปากขาดหมดมีแต่ฟันแงะแกะนี่มีหลายจำพวกบางพวกก็ตาโตออกมาเท่าลูกมะพราะ้าวบางพวกก็เล็บมือยาวตั้งเข้าใบตานมันสนุกน่าดูน่าชมบางตัวก็อ้วนเสียจนไปไม่รอดบางตัว ก็ผอมโก็โลก็โสมีแต่กระดูกนี่พวกเปรตมีหลายจําพวกบางพวกก็ชนกันบางพวกก็กัดกันบางพวกก็ตีกันนี่พวกเปรตนี่ก็สนุกเรียกว่ามโนมยิธิริษทางดวงจิตเมื่อดวงจิตตั้งมั่นก็ไปดูไปชมบางทีก็ไปเที่ยวเมืองพญานาคบางทีก็ไปเที่ยวในเมืองมนุษย์บางที เบื่อมนุษย์ก็ขึ้นไปเล่นกับพวกเทวดาไปดูนางงามในเมืองสวรรค์ในชั้นจาตุมมหาราชิกาไปเที่ยวในชั้นยามาตาวติงสาจนตลอดไปเที่ยวถึงพรมแน่ดวงจิตไปได้ไม่ขัดไม่ค้องนี่เกิดเป็นมโนมยิทธิอำนาจของดวงจิตนี่ก็เป็นวิชามันก็สนุกกิเลสก็หมด งานเราทำสำเร็จมีข้าวพอกินมีเงินพอใช้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตากอากาศสบายดีนี่ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิทิพพจักขุตาทิพย์ตาสองชั้นตานอกเรียกว่ามังสาจักขุดูมนุษย์ในโลกดูเทวดาในโลกปัญญาจักขุ ตรวจกิเลสของมนุษย์มนุษย์กิเลสยาวมนุษย์กิเลสหนามนุษย์มีศรัทธามนุษย์ไม่มีศรัทธามนุษย์มีนิสัยมนุษย์ไม่มีนิสัยไตรตรองพินิษพิจารณาด้วยปัญญาภายในเรียกว่าปัญญาจักขุนี่ตาสองชั้นคนเรามีตาชั้นเดียวคือมังสะจักขุตาเนื้อตาในไม่เกิด จะไปเกิดอย่างไรขี้ตามันไม่ลอกขี้ตาคืออะไรกามฉันทะก้อนเบ้อเร่อพระยาปาทะก้อนใหญ่ถีนมิทะก้อนเท่าหัวคอนหัวคอกจะสงบจะสงัดแต่ขี้ตามันก้อนใหญ่มันหนักหัวเรียกว่าถีนมิทะเห็นแก่หลับเห็นแกนอนอุทธัจจะกุ ก, กุจจะมันก็ขี้ตา ความฟุ้งซ่านรำคาญจิตวิจิติตชา้าความสงสัยลังเลนี่ก้อนขี้ตาเมื่อมันเข้าไปติดอยู่ในดวงจิตมันจะสว่างอย่างไรมันก็มืดแปดด้านนะสิเมื่อใครมาเจริญภาวนาทําจิตให้สงบระงับชื่อว่าแกะขี้ตาวิตกลวงมันลงไปวิจาร์ล้างมันออกเมื่อลวงเมื่อล้าง ให้สะอาดได้ตามันก็ใสตาใจมันก็เป็นปัญญาจักขุนี่เรียกว่าทิพพระจักขุทิพพระสดหูทิพหูมันก็สองหูอีกนั่นแหละหูนอกคือหูหนังหูในมันได้แก่หูใจหูใจมันไม่เกิดก็เพราะว่าอย่างนั้นแหละมันมีแต่ขี้หูไม่แก่สักทีไม่สร้างความดี ให้เกิดขึ้นในทางจิตดวงจิตไม่เป็นสมาธิเมื่อดวงจิตไม่มีสมาธิฟังเสียงดีๆใจก็จะไม่ค่อยจะอยู่ขี่หูมันก็ไม่หลุดแต่ฟังเขาด่าฟังเขาแช่งฟังเขาคุยใจมันเพลินก้อนขี้หูก้อนเบเร์เบ ร, เรางัดเข้ามาติดอยู่ในหูของตัวส่วนเทศสธธรรมคำสอนทั้งหลายไม่ค่อยสนใจฟัง จึงเกิดกันแต่ขี่หูทั้งนั้นส่วนในจิตของเราก็ขี้หูติดส่วนนอกก็ขี้หูทั้งนั้นไม่แกะหูทิพมันก็ไม่เกิดหูทิพมันสบายไม่ต้องไปนั่งฟังให้มันลําบากต้องการฟังอะไรละ่ะฟังได้ทุกอย่างเปรตมันคุยอย่างไรกันฟังได้ยินสัตว์มันคุยกันฟังได้ยินพวกเทวดาคุยกันอย่างไร ว่าสวรรค์แสนสุขก็ฟังได้ยินฟังได้ทุกอย่างเว้นแต่ไม่ต้องการเหมือนวิทยุถ้าเปิดก็ได้ยินแท่ถ้าหนวงหูก็ไม่ต้องเปิดผู้มีวิชาข้อนี้ถ้าต้องการฟังเล่นก็เปิดขึ้นฟังไปถ้าไม่ต้องการปิดปั๊บสบายใจนี่เรียกว่าทิฏฐโสตนี่ก็เป็นวิชาข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือเจโตปริยะญาณ รู้จักวาระน้ำจิตของสัตว์ในโลกคือดวงจิตของมนุษย์พุทธบริสัทธ์จะคิดดีคิดชั่วคิดต่ำคิดสูงคิดเลวคิดหยาบทราบได้ด้วยปัญญาข้อนี้เรียกว่าเจโตปริยญาณเป็นวิชาสำคัญข้อหนึ่งบุคเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้และอ า, ย า, ยานวัคยญาณมาทำความคิดให้แจ่มใส ทำใจให้สะอาดมาล้างกวาดอาวิชชาตันหาอุปาทานออกจากจิตไม่ให้อวิชชาเข้ามาเกิดในดวงจิตไม่มีตันหามาเป็นเจ้าเรือนในดวงจิตไม่มีความยึดถือเมื่อบุคคลผู้ใดมาคลายกิเลส ข, ของตนกามชะโหไม่ติดในกิเลสกามไม่ติดในภัสดุกามทิฏฐิชะโห ไม่ติดในความคิดความเห็นอวิชชาชะโหไม่หลงไปเห็นว่าอาวิชชาเป็นวิชาปล่อยวางเสียได้ไม่ยึดไม่ถือความชั่วก็ไม่ยึดไม่ถือความดีมีอยู่ในตนก็ไม่ยึดถือปล่อยดีคายความดีคายความชั่วออกไม่ยึดทั่วเป็นของตนไม่ยึดดีเป็นของตนปล่อยวางตามสภาพนั่นชื่อว่า อาสวะขยายานจิตนั้นก็ไม่มีอาสวะกิเลส น, นี่เรียกว่าเป็นตัวนิโรธทักษัตถะสำเร็จด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เกิดวิชานี่วิชาเกิดขึ้นจากภาวนาเป็นอย่างนี้เป็นวิชาพิเศษเป็นอุปริมะวิชาเป็นวิชาเบื้องสูงําหรับศาสนาสบายละทีนี้เราจะตายก็สบาย เราจะไม่ตายก็สบายไม่ต้องไปสร้างจรวญขึ้นไปบนพระอังคารอยู่ในโลกนี้แหละแต่ไม่มีสิ่งใดสังหารได้คือรู้ว่าสิ่งใดเป็นภัยเป็นโทษไม่แตะต้องคนนั้นก็จะอยู่ด้วยความปลอดภัยดวงใจก็มีแต่ความเบิกบานแจ่มแจ้งอยู่อย่างนี้เป็นนิจฉะนั้นพวกเราควรจะต้องพากันฝึกหัดเข้มงวด พากันขวดขันขมักขม่นเอาใจใส่ในข้อปฏิบัติก็จะเป็นไปด้วยความสำเร็จตามความมุ่ง ม, มาตนปรารถนาของตนทุกรูทุกนามนี่แสดงถึงเรื่องวิชาโดยใจความสั้นๆถ้าจะพรรณนาให้พิสดารไปนั้นก็มีอาการมากมายวิชาทั้งหมดสรุปแล้วก็เกิดจากความสงบเมื่อจิตไม่สงบก็ไม่เกิดวิชา ความเก่งก็จะเกิดจากสุตะฉลาดจากการฟังฉลาดจากการพูดจินตะฉลาดในการคิดการไตร่ตรองแต่คนเลิกคิดเลิกนึกไม่ต้องคิดต้องตรองแต่ฉลาดนั้นเป็นสิ่งอัจฉริยะมากเป็นสิ่งทวนกระแสของโลกธรรมดาโลกต้องศึกษาต้องเรียนต้องเขียนต้องอ่านต้องคิดต้องนึกจึงจะเกิดความฉลาด แต่ในทางธรรมหยุดคิดหยุดนึกหยุดขีดหยุดเขียนหยุดจำหยุดทำจึงเกิดวิชาชั้นสูงได้เป็นของทวนกระแสโลกซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทำได้ยากฉะนั้นเมื่อสาธุชนพุทธบริษัทต่างคนต่งางภาคกันได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญจนเกิดวิชาแล้วก็จะสำเร็จตามความมุ่ง ม, มาปรารถนามีโดย ได้แสดงมาในวิชาจรณะแต่เสมอเพียงเท่านี้